พระธรรมเทศนาแผ่นที่59าลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่12ธันวาคม2554มีชื่อเรื่องว่ากรรมฐานช่วยน้ำท่วมและบุญคุณต้องตอบแทนมีโยมลูกศิษย์ของหลวงตา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 หลวงพ่อเออเห็นด้วยหลวงพ่อเองก็อยากจะเข้าไปช่วยจุดนี้เหมือนกันแต่ไม่รู้จะเอาใครเข้าไปเป็นผู้ดําเนินการแต่มีผู้เสนอมาอย่างนี้ก็ดีละพ่อเป็นลูกศิษย์ลูกหาลองค์หลวงตาหลวงพ่อก็เลยให้ทุนนะหาทุนให้หมดไปหลายแสนเหมือนกันนะหลงทุนให้แต่มีผู้สมทบเข้ามาอีกรวมแล้วก็หมดไป หลายล้านที่หลวงพ่อดูดูสองล้านกว่ากว่าแต่ยังไม่ได้รวบรวมทั้งค่านงค่าน้ำอีกค่าขนส่งอะไรอีกมันปิดเงินทั้งนั้นแหละแต่จะไปคิดแต่ของใช้อย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันต้องคิดรวมกันภาพรวมทั้งหมดก่อนที่ของจะไปถึงได้ก่อนน้ำจะไปถึงได้มันก็ต้องมีรถรถสิบล้อนะส่งไปสงไป่สงไปกี่เที่ยวฮนะแล้วก็ก่อนที่จะเป็นน้าอีก การบรรจุน้ําเท่าไหรรวนแล้วจะเป็นเงินทั้งหมดนั่นแนหะไปช่วยพี่น้องทางภาคกลางแล้นี้ก็พอไปทําที่สวนแสงธรรมกบน้ําท่วมอีกเนี่ยก็เลยมาคลองสิบหกอำเภอวังน้ําเปลี่ยวเนี่ยพี่น้องลูกหลานเนี่ยมาถึงที่วังน้ําเปลี่ยวก็รู้สึกได้รับความอบอุน่นได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวตลาดเป็นอย่างมาก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 คือเลี้ยงพี่น้องประชาชนเอารถทหารเข้าไปส่งรถทหารก็ได้รับความสนับสนุนอย่างดีจากทหารเอกทั้งสละบุหรีทั้งจัดเสียงเสาทั้งนายทหารข่าวเนี้ว่าทหารเนี่ยเป็นพระเอกในการน้ำท่วมประสบภัยในครั้งนี้ทหารเนี่ยออกมาช่วยเห็นได้ชัดเลย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 เห็นแก่พักเขียนแ ก, แก่พวกฉันทากติโทสกโากติโมหกติพยาคติพวกเรานี่อยากจะให้ทั่วถึงก็เรเปลี่ยนใหม่คือเอาทหารพรทหารทหารเขาออกมาจากกรมกองเน่ยเขาก็ได้ฝึกอย่างดีมาอีกต่างหากพอเอารถเข้าไปเนี่ยเขาก็ยกมือผู้ที่ขอความช่วยเหลือเขาก็ยกมือต้องยกมือห้นิ้วก็แสดงว่าหชุด กี่น้องลูกหลานเขาต้องการห้าชุดยกให้สามชุดช้อนสองชุดล้วก็ยกให้ยกให้มีทั้งน้ำดื่มด้วยในเปลอาหารพร้อมพร้อมทานนี่ก็เราก็ทำมานานพอสมควรวันละห0 0พันชุดสี่พันกว่าชุดเป็นอย่างน้อยส่งเข้าไปในกรุงเทพอย่างน้อยก็ได้รับความอบอุ่นจากคนในชาติ ไม่ใช่เอ้ยเขาทําแล้วล่ะไม่รู้ใครทําก็ไม่รู้โอ้เขาทำแล้วล่ะรัฐบาลทำแล้วล่ะผลที่สุดก็หาใครทําไม่ได้อย่างนี้แต่ว่าทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันอ่านช่วยกันถึงจะเลื้อเฟือไปบ้างฟุม่มเฟือยไปบ้างขาดเหลือไปบ้างเอาเข้าไปในให้เขาได้อยู่ได้กินอย่างน้อยก็คือความอบอุ่นคนในชาติไม่ได้มองไม่ได้ดูดาในเวลาขับขันในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่า ยามตกทุกข์ได้ยากหลวงพ่อว่านเนี่ยน้ำใจของคนในชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาหลวงพ่อนํารึกถึงองค์หลวงตาของเราถ้าหลวงตาของเรายังยังทรงทาาทรงขันอยู่ท่านก็คงจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่พวกเราเนี่ยก็ช่วยเหมือนกับอะไรมดพวกมดพกปลวกปล ว, ว, วกนั่นไม่มีกําลังในกําลังขนาดนี้ก็ สุดช่วยสุดความสามารถแต่ไม่ใช่แต่หลวงพ่อองค์เดียวนะเพื่อนเพื่อนกับหลวงพ่อน่สหธรรมิกพระที่เป็นจ้ออาวาสท่านก็ไม่ได้นิ่งดูได้ขนของลงไปไม่โทษเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่บางองค์ก็ บ, บินทบาทจากจังหวัดเพชรบูรณ์จนถึงบุรีรัมย์บินทบาทใส่รถสิบล้อขึ้นมากับขนเอาลงไปแจกพี่น้องประชาชน ถ้าจะให้พี่น้องประชาชนชาวตลาดแต่ละตลาดเขาเอาไปแจกก็ไม่ได้เลยเพ่อไม่มีกําลังไม่รู้จะส่งไปยังไงเมื่อพราสง่งครูบาอาจารย์มาเป็นหลักให้เขาก็ไม่รู้นะไม่รู้น้ําปลาไม่รูร้ข่าวสารอาหารแห่งบินธบาทสองครั้งตอนเช้าบินครั้งหนึ่งมาฉันเจ้าก่อนฮเขาก็ของกับพ่อแรงนะประกาศอีกเอาไปบินธบัตรอบสองตอนสาย เดินเข้าไปเอาใครเอามาเถอขนของมาให้เถอี่ใส่รถสิบล้อเขาไปแจกเนี่ยนี่แหละสรุปแล้วก็คือครูบาอาจารย์พระกรรมฐานของเราเนี่ก็ให้ความใส่ใจในการทุกยากของพี่น้องประชาชนหลวงพ่อเห็นนะก็ปลื้มใจในสหธรรมิกหมู่พวกเพื่อนของหลวงพ่อเหมือนกันอย่างหลวงพ่อจุดธรรมท่านก็ช่วยน้ํา เรากนะ็หาทุนซื้อขวดให้ท่านท่านกระดมพวกโรงเรียนมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนกครแล้วก็ศูนย์การค้าเด็กนักเรียนมาบรรจุขวดน้ำน้ำยุทธวัตรของท่านอยู่แล้วจากนั้นก็หลวงพ่อก็ส่งไปทั้งหลงศรีน้องคายลูกหลานของท่านนันก็เอารถสิบล้อไปขนส่งลงไปกรุงเทพนั่นแหละ อันนี้สรุปแล้วก็คือไม่ได้ไม่ได้ดูดายช่วยเหลือกันนี่แหละพี่น้องชาวอำเภอจังหวัดเชิยงเซาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวของสิบหกที่มาวันนี้ก็ยี่สิบกว่าคนคณะคัทธาญาติโยม ล, กลูกหลานที่เป็นกำลังหลักไปช่วยกันตั้งโรงทานบรรจุสิ่งของเข้าในถุง จากนั้นก็ น, นําไปแจกพอเสร็จแล้วก็ได้มาชมมากราบองหลวงตาเจดีย์ที่พระราชทานจรีละของหลวงตาวัดป่าบัานตาดมาใส่บาดจากนั้นก็นได้มาวัดมาค้างวัดหลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อเห็นแล้วก็เออขอขอบคุณและขออนุมโมทนากับลูกหลานทุกคนหนะ้าที่ได้ร่วมกันได้ช่วยกัน แสดงถึงน้ำใจช่วยเหลือประเทศชาติแต่หลวงพ่อนี่ยก็คล้ายๆว่าหาทุนให้พวกเราเนี่ก็เป็นกำลังหลักทั้งเสียสละด้วยแต่มากน้อยก็สุดแท้แต่กำลังของแต่ละคนะใช้เวลานา น, านพอสมควรอยู่ที่ตลาดสมาคมพ่อค้าที่อำเภอวังน้ำเปลี่ยว หลวงพ่อไปเห็นวันนั้นก็รู้กนุ้งพ่อก็เห็นแล้วก็เปลื้มปีติกับพี่น้องลูกหลานทุกคนให้ความสนใจในการเสียสละเว ล, มเวลามาแพ็คของพราะห้าหกพันถุงนะั่นไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะวันต่างใช้คนเกือเป็นร้อยเหมือนกันนะ่ะที่เข้าไปตั้งแล้วก็ผู้ที่อยู่หน้าไฟที่ทำอาหารแล้วก็ที่หุงข้าวที่จะบรรจุกล่อง จากนั้นก็ได้นําไปให้ทหารแล้วก็ไม่ใช่แต่ทหารอย่างเดียวพวกพี่น้องก็เดินนั่งรถไปดูด้วยนั่งรถทหารไปดูด้วยไปแจกด้วยเออด้วยน้ำใจก็เห็นผู้ที่มารับบางคนก็น้นําตาหลังน้ําตาไหลก็มีเอเพราะเหตุอะไรมัมันความทุกข์จุดนี้มันมองไม่เห็นมัน ส, ส่วนลึกนะเออสมัยเมื่อเราอยู่ดีมีสุขเนี่ยเอาเงินร้อยเงินพันให้เราก็ขอบคุณครับเพียงแค่นั้นน่ะ คล้ายๆว่าขอบใจยุที่ผู้มาให้แต่ถ้า เ, าเอาข้าวอาหารทำเป็นถุงเราหิวมาเป็นวันแล้วเนี่ยเอาข้าวเป็นถุงมาให้เนี่ยมันขอบคุณคาบน่ยมันลึกซึ้งเข้าถึงใจนะผู้ให้นี่ก็ซึ้งใจเหมือนกันผู้ที่รับก็ซึ้งในใจอีกเหมือนกันนี่แหละอันนี้ก็คือการเป็นอยู่การพบค้าสมาคมและการเป็นอยู่ด้วยกันมันซึ้งด้วยน้ําใจ ถ้ามีเมตตาต่อการมีน้ําใจต่อกันแล้วโลกประเทศชาติปานเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้ามีอะไรมีแต่จะหักจะล้างกันมีแต่เอารัดเอาเปรียบกันมีแต่มองกันในแง่ร้ายอยู่ในจิตในใจพวกเราจะอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นผาสุขย่างได<ม>การที่พวกเราทำเนี่ยหลวงพ่อว่านนี่นะถูกหลานทุกคนนะเป็นบุญเป็นกุศลจากพวกเราในชาดก ข, ของพระพุทธเจ้าที่ท่าน สวยพระชาติชาติไหนที่ท่านได้ตั้งโรงทานเลี้ยงคู่เลี้ยงคนเสียสละนะการตั้งโรงทานในชาตินั้นท่านต้องไปสู่สู่สวรรค์นีสู่สวรรค์เกือบทุกครั้งแล้วก็เพอเพอได้เป็นพระอินทร์อีกต่างหากถ้าว่าท่านชาติไหนที่ท่านออกไปบวชในป่าเป็นฤาษีสีไพรยไปบําเพ็ญในป่าชาตินั้นพอตายไปแล้วท่านไปสู่พรหมโลก อันนี้ก็คืออยู่ในพุทธประวัติลิขชาดกของพระพุทธเจ้าเป็นไปอย่างนั้นอันนี้ที่พวกเราทําสร้างโรงทานหรือตั้งโรงทานอําช่วยโรงทานนี่แหละเป็นปูทางไปสู่สวรรค์นะลูกหลานนะปูทางไปสู่ความร่ํารวยอีกต่างหากเกิดมาพบใดชาติใดถึงจะตกตกทุกข์กกกได้ยากอย่างไงก็มีสิ่งที่เข้ามาช่วยเกื้อกูลหนุนไม่ถึงกับตกน้ําตายทีเดียว อ, อยังมี คนมาช่วยด้วยบุญด้วยกุศลที่พวกเราได้บำเพ็ญเสียสะละเวลำเวลาในการสร้างบุญสร้างกุศลมันติดภพติดชาตินะลูกหลานทั้งหลายนะการสร้างบุญสร้างกุศลนั้นะมันติดภพติดชาติมันไม่ใช่มีแต่พระชาตินี้ชาติเดียวชาตินี้ก็เถอะนะชาตินี้ก็เถอะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้ลูกหลานตั้งกิจอธิษฐานเอาไว้เออบุญกุศลที่ข้าไปเจ้าได้ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน้วยความตั้งกิจตั้งใจของข้าพเจ้าบุญกุศลที่ได้ทำมาแล้วขอให้มากเกื้อกูลหนุนกิจการงานของข้าพเจ้าให้จเจริญรุ่งเรืองจะได้มีอุปสรรคด้วยเถิดให้ตั้งกิจตั้งใจอย่างนั้นถ้าผู้ใดทำจริงนะถ้าเว้นเสียจะทำปาไเลาเลยแ ะ, ะ, ะ, ะไปเอเป็นท็สักดิ์เพาทำไม่เชื่ออันนั้นบุญกุศลไม่เต็มที่นะเออบุญกุศลจะไม่เต็มที่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 คนไม่รู้จักบุญคุณไม่เจริญถ้าคนไปลักษณะอย่างนั้นถ้าคนรู้จักบุญคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความผาสุกพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงพระเทวทัตพระเทวทัตพระสงฆ์ก็บอกวอ้พระเทวทัตเนี่ย พ, พระพุทธเจ้าบวชให้แท้ๆทําไมถึงแสดงอกับกิริยาแข็งกล่าวอย่างนี้ต่อพระพุทธเจ้าไม่น่าจะถูกเลย พระพุทธองค์ท่านบอกว่าในอดีตชาติเคยเป็นมาแล้วอย่างนี้พระเทวทัตเนี่ยเป็นภูไม่รู้บุญคุณเป็นคู่อริคู่ศัตรูกันมาในอดีตชาติแต่ชาตินั้นยิ่งลำทุกยิ่งกว่าเดี๋ยวนี้อีกต่างหากเพราะสมัยนั้นมันกิเลสต่อกิเลสนะพระสงฆ์ทั้งหลายก็เลยถามว่าสมัยไหนพระพุทธเจ้าขานพระพุทธองค์บอกว่าสมัยหนึ่งเราเป็นพราม อยู่ในกรุงพาราณสีจากนั้นเราก็ทํามาค้าขายแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายเราก็เลยหนีไปบวชไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าไปฤาษีในป่าที่อยู่ก็อยู่ใกล้แม่น้ําจากนั้นก็เนี่ยพาราชาพระเจ้ากรุงพาราณสีนี่มีลูกชายแต่ลูกชายเป็นกษัตริย์เป็นเจ้าฟ้าชายเนี่ยเป็นพวกโมโหโทโสโกธาฆ่าตีเตะคนอื่น ก็ไม่เป็นที่พอใจของของพวกมหาดเล็กพวกทหารจากนั้นวันหนึ่งมันมีฟ้าฝนมาก็กพานี่แหละลูกของพระเจ้าเพนดินเนี่ยลูกชายฟ้าชายเนี่ยอยากจะไปเที่ยวกลางแม่น้ำอขอเอาเรือไปพอเรือไปทีนี้ก็ฟ้าฝนมาอย่าง ส, สรบุสารบนวุ่นวาย เขาก็ไม่ช่วยเธอเนี่ยเพราะว่าเขาเกลียดชังออนั่นอยู่แล้วแต่เขาปล่อยทิ้งเนะ่พอกลับมาเี๋ยพระเจ้าเป็นนี้ก็ถามเอาไปไงโอ้ในช่วงนั้นเรือแตกไหมไม่รู้ใครเป็นใครยงไงเลยฟ้าชายเลยหายไปเลยนะพระเจ้าไปดินกน็ไม่รู้จะทำยังไงพอต่อมาเนฟ้าชายก็ได้เรือลำหนึ่งไม้กระดานแผ่นหนึ่ง แล้วก็ไปเกาะขอนไม้อีกขอนหนึ่งพอเห็นขอนไม้ขอนหนึ่งเกาะขึ้นไปในขอนไม้คนนั้นมีฟ้าชายนี่นมีนี่ยแหละลูกพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นเจ้าฟ้าชายเกาะอยู่ในขอนไม้แล้วก็มีงูตัวหนึ่งแล้วก็มีหนูตัวหนึ่งแล้วก็มีนกแขกเต้าที่มันตกมาจากต้นไม้ผลมันลมพัดตุปัตตุเปลงมามันไปเกาะในขอนไม้อีกขอนหนึ่ง ลูกนกมันยังบินไม่ได้แต่ได้ลือสีท่งนก็อยู่ในป่าพอฟางฝนตกน่ะนะขอนไม้มันก็ไหลามาเลยเลยื่อยเลยื่อลือสีก็เห็นพอเห็นอืม้มสัตว์งูเหลือมก็มีอยู่ตัวหนึ่งท่านก็เลยก่อกองไฟขึ้นมาทั้งสัตว์ทั้งสี่ตัวมันหนาวทั้งหมดนมันสันสะท้านเหมือนกับงพวกเราหนาวอยู่ทุกวันเนี่ยมันหนาวกว่านั้นดิมันหนาวตากน้ำหบ น, ำน้ําแช่ไว้เงั้นแะ่ถ้ามันมาในน้ํำ ตอนนี้พระเจ้าไอ้ฤาษีเนี่ยก็เลยเอาสัตว์ตัวเล็กขึ้นมาก่อนเอานกแขกเต้ามาจับมาวางไว้ให้ให้มันให้มันให้มันถูกให้มันถูกไฟให้มันใกล้ใก้ไฟให้มันอุ่นอจากนั้นก็เอางูเหลือมขึ้นมาแล้วจากนั้นเอาหนูขึ้นมาจากนั้นเอาเอาขนขึ้นมาอเอาขนขึ้นมามันจะเอามาขนให้มานั่งข้างๆฤาษีเป็นกองกองไฟให้ แต่นี้ความความไม่พอใจในเจ้าฟ้าชายเน่ยเพราะเจ้าฟ้าชายมันถือโทษโกรธเครืองอยู่แล้วเนี่ยนคนโมโหอยู่แล้ว เ, เห็นว่าทําไมจึงให้คนอื่นไม่ให้ความสําคัญมนุษย์เลยไม่ให้สําคัญเราก่อนนะทั้งที่เราเนี่เป็นใครแต่ลือศีจะไปรู้ยังไงว่าเป็นใครใช่ไหมว่าเป็นมนุษย์ท่านเองลือศีก็บอกว่าถึงยังไงมนุษย์มันก็ต้องมีกําลังแข็งแรงกว่าเอาสัตว์ ที่ตัวเล็กๆเนี่ยให้มันมาใกล้ๆไฟก่อนมันจับง่ายไงแต่ใ น, นความไม่พอใจในลูกของพระเจ้าเพนดินนั้นก็โมโหอยู่ในใจแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรจากนั้นก็เอาอาหารมาให้หรือสีก็จัดอาหารมาให้ก็ให้นกแขกเต่ากินก่อนให้งูให้หนูกินจากนั้นก็ให้มนุษย์กินทําความไม่พอใจให้แกมนุษย์อีกเหมือนกันเพราะมันเป็น ดูดูทั้งคนที่เป็นอริศรูกันเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะไม่พอใจอย่างมากอีกในใจเอาเถอะ ถ, ถ้าว่าข า, าได้พบได้เจอต่อไปภายภาคหนาน่ยข้าจะไม่ให้ชีวิตล่ะตือสีคนนี้ยพูดนะทั้งที่เขาเขาช่วยเหลือชีวิตของตนเองขึ้นมาจากน้ำแล้วนะก็ยังก็ยังโมโหให้เขาเพียงนิดหน่อยตนเอง พอต่อมาก็ดูด้วยกันหลายๆลายวันฤศีก็เอนกแขกนกแขก็มันก็พูดเป็นภาษาคนว่าท่านฤศีถ้าว่าจะให้ฉันข้าพเจ้าช่วยอะไรก็บอกข้าพเจ้านะทางงูก็บอกว่าฤศีถ้าอยากจะให้ข้าช่วยอะไรก็บอกให้บอกมานะนี่แหละเงินคืองูตัวนี้เคยเป็นเศรษฐีมาก่อน พอเศรษฐีละตายไปตายไปแล้วไปเป็นงูงูเฝ้าสมบัติเนี่ยพอเฝ้าสมบัติเสร็จแล้วก็ยังระลึกชาติตัวเองได้อยู่บอกฤาษีท่าว่าท่านต้องการเงินนะเงินของข้าเนะ่มีอยู่นน่นะตรงนั้นน่ะเดี๋ยวข้าจะพาไปเอาท่านเป็นผู้มีคุณบุญคุณกับข้าไปเจ้ามากก่นหนูก็เหมือนกันหมอหนูก็เคยเป็นเศรษฐีมาก่อนตายไปแล้วไปไปเป็นรูทารูเฝ้า ข, ขุมทรัพย์อยู่เงิน ลือศีก็เออเอาถ้าเมื่อขาวจําเป็นข้าพเจ้าจะไปขอตื่นจะลือศีอยในป่าก็คงจะเป็นลือศีหนุ่มนะจาก น, านั้นนนั้ก็ไปหางูต่อมาปีปีสองปีให้หลังไปก็ไปเรียกเลยงูงูงูก็ออกมาใมาก็บอกว่าเนี่ยต้องการไหมทรัพย์สมบัติตรงนี้เออเอาไว้ก่อนยังไม่ต้องการข้าวเนี่ยยังไม่ต้องการนะเออ ไปหาหนูอีกหนูก็บอกว่าหนูหนูหนูก็ออกมาไปหานกแขกอีกนกแขกผมออกมาแต่นรื่งเออเราจะไปหามนุษย์เขาว่าเขาอยู่นอ่เป็นเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินนะไปหาดูก็าสิแต่นี่ลือสีนี่ไงใส่ชุดลือสีไปเขาไปในเมืองไปบินทบาทพอไปเห็นพระเจ้าเป็ดินกําลังเสด็จเอรอบเมืองพอมาเห็นเศรษฐีเท่านั้นะ ไอไปมาเห็นลือสีท่านั้นพอจําได้เนี่ยว่าลือสีคนนี้แหละที่เอาข่าขึ้นมาจากน้ำนํำนะเอแต่ว่าไม่ให้เกียรติข่าเลยเออเาขึ้นมากเอาขึ้นมาทีหลังอาหารก็ให้กินทีหลังอยู่ด้วยกันสามสีห้าวันอาหารกินทีหลังทุกครั้งแสดงว่าลือสีเนี่ยอืมมันทํากับข้าพเจ้าอย่างเจ็บช้าใจมากเลยยามข้าพเจ้าถูกเกยทุกยากและยังมาช้าเติมข้าพเจ้าอีก เห็นว่าสัตว์สําคัญกว่าเราอีกไงมันมองไปในอีกมุมหนึ่งได้เลยเจดลือศีเนี่ยมองอีกมุมหนึ่งว่าผู้ใหญ่เนี่ยต้องเอาเข้าทีหลังเพราะว่ายังทนได้อยู่ยังไม่หิวมากควรจะให้ตัวเล็กกินก่อนไงเหมือนกับเราเลี้ยงลูกเราต้องให้เด็กตัวเล็กกินก่อนเห็นแล้วก็ให้ผู้ใหญ่กินทีหลังลักษณะอย่างนั้นน่ะแต่พระเจ้าเป็นที่เนี่ยไม่ว่าอย่างนั้นเลยพอมองเห็นเท่านั้นล่ะ เหลือไปหาเอกอุปราชอุเหตมองไปหาเอกอมัดผู้อยู่ใกล้ชิดมองมีอะไรมีอะไรพร ะ, พระเจ้าข่าว่างั้นเนี่ยไปจับคือสีนั่นแนหะแล้วจับทําไงจับแล้วโบยหลังเลยเนี่ยข้าสั่งไปจับโบยหลังเลยจับมัดแขนไผ่หลังแซ่หวดเลยเสร็จแล้วเอาไป ขึ้นตะแลงแกงตัดคอตัดคอทิ้ทงเลยไปไอ้พวกอำมาตย์ราชเวกทั้งหลายเขาก็ไม่รู้ว่าฤาษีน่เป็นใครฮะเน่เขาก็ลุมไปกระจับจับกระแท่หดอย่างที่วานะ่ยพอพระราชาสั่งเนะี่ยพระราชามีอำนาจเด็ดขาดทำอะไรก็ได้นะสั่งจะเตะไปเคี่ยนไป ลือสีนันก็ไม่รู้จะพูดยังไงลือสีพูดว่าคำทำคุณให้แก่คนไม่ไม่มีประโยชน์อะไรสู้ยกถอนไม้ขึ้นจากน้ำไม่ได้ลือสีบ่นไปติงทีเขาตีหลังหงดหลังอนอะตีเทไรเขาบอกว่าเอาทำคุณให้แก่คนไม่มีคุณสู้ยกขอนไม้ขึ้นจากน้ำก็ไม่ได้ ฤๅษีบ่นอย่างนั้นเขาก็ถามว่าฤๅษีผนบ่นอะไรทําไมบ่นอย่างนี้ฤๅษีกขาบอกว่าแก้เชือกซะก่อนข้าพเจ้าจะพูดให้ฟังเขาก็เลยแก้เชือกเลยถามว่าเป็นยังไงนี่พระราชาเนี่ยข้าพเจ้ามหาพระราชาเพราะพระราชาตกน้ําไปเห็นไหมพระราชาตกน้ําใช่ไหมว่าใช่นั่นแหละข้าพเจ้าเป็นคนเอาพระราชาขึ้นเอาฟ้าชายขึ้นมาจากแม่น้ำํำ ขึ้นมาแล้วกันนะไม่รู้จักบุญคุณพอข้าพเจ้าจะมาเยี่ยมก็มาลงโทษข้าพเจ้าก่อนเอถ้าว่าข้าพเจ้าไม่เอาขึ้นมาจากน้ำเขานั้นก็คงจะตายไปแล้วกระจกคนที่ไม่มีคุณไม่รู้จักบุญคุณของคนเี่ยข้าพเจ้าไปสู้ยกขอนนะขอนไม้ขึ้นมายังจะมีประโยชน์กว่าจะต้องทําเป็นฟืนหรือทาเป็นอะไรก็ได้แต่ในยกมนุษย์ขึ้นมาทั้งคนน่ะ ยังเป็นพิษเป็นภัยยังจะมาฆ่าค่าพระเจ้าอีกต่างหากทั้งที่พระเจ้าได้ช่วยเหลือเขาให้พ้นจากความตายจนได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในที่สุดพระเจ้าเห็นว่าเขาเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าก็มาเยี่ยมเยียนเขาทั้งที่เขาจะให้ความเขาลบให้ความเออเพือเพื้อสงเคราะห์หรือว่าให้ความเออ แสดงความกตัญญูต่อกันเห็นข้าพเจ้าก็ไม่ได้หวังอะไรมากหรอกเพียงแต่มาเห็นแสดงความยินดีว่าได้เป็นพระเจ้าเป็นดินแล้วพอกลับมาก็มาโดนเอทําร้ายทําทร้ายข้าพเจ้าอย่างนี้พอพวกอํามารทั้งลาชเสวกทั้งหลายได้ยินโอ้ใช่พระเจ้าเป็นดินนี่ไม่ได้สืบไม่ได้สอบอะไรเลยคงจะมีความลึกอยู่ในใจจึงทําขนาดนี้ได้พวกเราเอา คนอักตันยูไว้ปกครองประเทศชาติไม่ไว้แน่เอาลุ่มจับนะพวกทหารสลาดสเสวะอะไรก็ลุมจับพระเจะ้าปณินสําเร็จโทษเลยงั้นแต่คล้ายๆแบบปฏิวัติลักษณะอย่างนั้นอ่ะผลในสุดพระเจ้าปดินตายก็เลยยกเป็นลื อ, ลอีคนนี้แหละเนีเป็นพระเจ้าปดินแทนอจากนั้นพระเจ้าปดินใหม่เนี่ยก็เลยไปหางูเอาขนเงินมา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 เปลี่ยนแต่ว่ไปทักทายไม่ใช่จะไปขอทรัพย์สมบัติอะไรไปทักทายไปแสดงความจินดีด้วยก็พระเจ้าเป็นนี่ก็เห็นว่าคนหลายกลัวจะรู้ว่าเนี่ยอยฤกษ์ศษีคนนี้นะ่ะเป็นผู้มีบุญคุณที่เอาจะล้ำเลิกตัวเองนะ่ะล้ำเลิกบุญคุณว่าข้าพรเจ้าเป็นผู้เอาพระราชาขึ้นมาจากน้ํานะกลัวเขาจะรู้นะก็ได้สั่งสําเร็จโทษก่อนเลยไม่ให้ใครรู้ไงให้ข่าทิ้งเลยะ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 ต้องรู้จักต้องมีกแสดงความ ก, กตัญญูกตวเวทีตาต่อคนทั้งหลายนี่แหละสรุปแล้วก็คือการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ออได้พบพระพุทธศาสนาได้พบธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายไปอยู่นกอยู่กับใครเมื่ออยู่กับพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาด้วยความยากลําบาก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 แต่ที่ยังก็ต้องแยกแยะให้ออกพระคุณก็คือพักคุณถูกใจเราก็คือถูกใจเราจะให้ถูกใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้แต่ขนานอาหารสำหรับกับข้าวนะบางคำมันยังมีเค็มเผ็ดบางคำมันยังมีเค็มบางคาก็มีหวานไม่ใช่จะอร่อยทุกคำไม่ใช่นี่ก็เหมือนกันการมาเกิดมาเป็นมนุษยชาติจะให้ถูกใจเราทุกอย่างเป็นจะเป็นไปได้หรอนะสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้คิดเหมือนกันนะ เบทนั้นหลักของพุทธศาสนานให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความคิดให้ใช้ความรอบขอบทุกอย่างถ้าพวกเราใช้ความรอบขอบแล้วจะร่มเย็นเป็นสุขประเทศชาติร่มเย็นเป็นสุขอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าเมื่อประเทศชาติตกทุกข์ใดยากน้ําท่วมปี่น้องประชาชนพวกเราอยู่บนบกเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรเป็นนาทีของพวกเราจะต้องช่วยกันคิดเหมือนกันะแต่พวกเราก็ได้ทํามาแล้วนะ่ะหลวงพ่อ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 ความกตัญญูกตเวทีตาต่อพิมต่อผู้มีอุปกระคุณให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนะต่อเ น, นื่ไปพระสงค์จะอนุโมทนาให้พอร